بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامد الشريط الثالث ويحتوي على سورة النساء بطيسي ب النساء بط النساء بن ب م د ن ي ه <ت ص في ق>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 และการประสานจิตใจของชายและหญิงสิทธิของสามีที่มีต่อพัญยาและสิทธิของพัญยาที่มีต่อสามีแนวทางในการสร้างสรรค์ชีวิตครอบครัวส่วนในด้านสังคมนั้นพระองค์ทรงชใช้ทำความดีอยู่ทุกขณะโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจกันแนะนำตักเตือนไล่อภัยซึ่งกันและกัน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 เพื่อป้องกันศัตรูโดยระ บ, บุถึงเล่กลต่างๆของศัตรูให้ทราบชี้เห็นถึงอันตรายต่างๆของชาวคัมภีร์โดยเฉพาะจากชาวยหูอีและจบด้วยการแจ้งให้ทราบถึงความเชื่อถือที่นอกลู่นอกทางของพวกนอสอรอที่เชื่อว่านบีอีซาเลเป็นพระเจ้าและแนวความคิดที่เหลวไหลของพวกเขา ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอยาอเยฮ์นนาสุดตะวูรับบักมุลดีขลักคุมนินเฟสิว้าหิดะตูวัชลักควมฮาซูจ์ฮา َخَلَقَ رِجَالًا وَلِسَاءً اللَّهَ الَّذِي َاتَّقُ مِنْ ال مِنْهُمَا وَالْأَرْحَامَ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ الُّنَوْنَ كَثِيرًا كَانَ عَلَيْكُمْ تَسَاءَ ด้วยพระนามของลผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอโอ้มนุษย์ทั้งหลาย จงยำเกรงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าที่ได้บังเกิดพวกเจ้ามาจากชีวิตหนึ่งและได้ทรงบังเกิดจากชีวิตนั้นซึ่งคู่ครองของเขาและได้ทรงให้ชายและหญิงจานวนมากแพร่สะพัดไปจากทั้งสองนั้นและจงยำเกรงอัลลอฮ์ที่พวกเจ้าต่างขอกันโดยอาศัยพระองค์และพึงรักเครือญาตแท้จริง ออัลล่นน้ทรงสงสงดูแพวก เ, จ, เว ا أ จงให้คืนแก่บรรดาเด็กกำพร้าซึ่งทรัพย์สมบัติของพวกเขา และจงอย่าเปลี่ยนเอาของเลวด้วยของดีและจงอยากินทรัพย์ของพวกเขาร่วมกับทรัพย์ของพวกเจ้าแท้จริงมันเป็นบาปมหัวะอินคิฟตุมอัลลาตุกซิฏูฟิลยะตามาซะกิฮูมาตอบลันคุมมินันนิซาอ์มัธนาวะธลาซวรบาอ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 ا أ และจงอย่าให้แก่บรรดาผู้ที่โง่เขลาซึ่งทรัพย์ของพวกเจ้าเที่ยวล้อทรงให้เป็นสิ่งค้ำจุนแก่พวกเจ้า และจงให้ปัจจัยยังชีพและเครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขาในทรัพนั้นและจงพูดจากแก่พวกเขาด้วยคำพูดที่ดี ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أ ن يكبرو ا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعت م إليهم أموالهم فأشهد و ا عليهم و ك ف ى بالله ح س ي ب ا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 ก็จงปันส่วนหนึ่งจากสิ่งนั้นให้เป็นปัจจัยยัางชีพแก่พวกเขาและจงพูดกับพวกเขาด้วยคำพูดที่ดี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 لذكر ل مثل حظ الأثين فإن لنساء فوقثنتين فلهن ثلث ا ما ترك ت وإن كانت واحدة فله ا ل نصف ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس من بعد وصية يوصي بها أودين آ ب ا ُ ك م وأبناؤكم لا تدر a l l a อได้ทรงสั่งเสียพวกเจ้าเกี่ยวกับลูกๆของพวกเจ้าว่าสำหรับเพศชายนั้นจะได้รับเท่ากับส่วนได้ของเพศหญิงสองคนแต่ถ้าลูกๆเป็นหญิงเกินกว่าสองคน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 มารดาของเขาก็จะรับหนึ่งในสามถ้าเขามีพี่น้องหลายคนมารดาของเขาก็จะได้รับหนึ่งในหทั้งนี้หลังจากที่พินัยกรรมที่เขาได้สั่งเสียมันไว้หรือหลังจากนิสิตบรรดาบิดาของพวกเจ้าและลูกๆของพวกเจ้านั้นพวกเจ้าไม่รู้ดอกหรือว่าฝ่ายไหนในพวกเขานั้นเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์แก่พวกเจ้า ใกล้กว่ากันทั้งนี้เป็นบัญญัติที่มาจาก อ, าอัลลอ์แท้จริงอลัลลอ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชาญ